<small> ¶¶ <noise> คนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมช่วงข้วพรรษานะที่วัดแห่งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณเดือนเศษก็มาปรึกษาวา่าที่วัดของตนไม่ค่อยมีบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรเท่าไหร่ก็ใช้คาว่าบรรยากาศแห่งความเป็นกิริยะนัมิตรก็คือว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เช่น มาทำวัดเสร็จก็พอเสร็จก็ต่างคนต่างขึ้นกุติไม่ค่อยได้พูดคุยกันไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรร่วมกันบางคนมีปัญหาก็เก็บไว้ในใจไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็เลยไม่ค่อยมีความสุขกับการปฏิบัติรู้สึกเหงาเคว้งคว้างก็เลยบอกเขาไปว่า สิ่งแวดสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะมันไม่สําคัญตั้งแต่ว่าเราดูใจของเราเองดูใจรักษาใจของเราให้เป็นปกติคนอื่นจะไม่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามอันนั้นก็ไม่สําคัญเท้งแต่ว่าเราเป็นมิตรกับตัวเองหรือเปล่าจริงๆถ้ามองให้ดีนะไอ้การที่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มารบกวน ไม่ได้มารังควานเราไม่มีคนมาต่อว่าด่าทอเรานี่ก็น่าถือเป็นโชคดีนะเขาอยู่ของเขาไปนะเขาไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราน่าจะมองว่าเป็นความโชคดีด้วยซ้ำเพราะบางคนนไม่ได้อยู่เปล่าๆนะ <c oughs> ก็มีคนมาต่อว่ามีคนมาตำหนิติดเตียนอยู่อันนั้นสิน่าจะทุกข์มากกว่า ไม่มีใครมายุ่งกับเราก็ดีแล้วนะพูดไปอย่างนี้เขาก็ตอบมาว่าก็เห็นด้วยนะในบางส่วนแต่ว่าเขาก็ถามต่อไปว่าถ้าเชนั้นการยนานมิตรมีไว้ทาไมกายามิตรมีไว้ทาไมที่ถามเชนนี้ก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่าในวัดที่เธออยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีความเป็นการยนานมิตรเท่าไหร่ หมายถึงว่าไม่ค่อยจะมีความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะต่างคนต่างอยู่ถ้าฉะนั้นกายนณมิตรมีไว้ทําไหมก็ตอบไปว่ากายนณมิตรเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราพึ่งตนเองได้นะถ้าเราพึ่งแตกกายนณมิตรจนพึ่งตัวเองไม่ได้แสดงว่าใช้กายนณมิตรไม่ถูกแลนะนี่สำคัญนะพระเจ้าตรัสว่ากายนามิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ นะหมายความว่าหน้าที่ของกรเรยนนมิตคือช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยได้เข้าสู่าการปฏิบัติแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะหน้าที่ของกรเรยนนมิตเนี่ยก็คือช่วยให้เราพึ่งตัวเองได้นะไม่ใช่พึ่งแต่กรเรยนนมิตรนะมีอะไรก็คาดหวังว่าเขาจะมาช่วยเราอย่างน้นอย่างนี้หรือถ้าเขาไม่ไม่ หรือถ้าไม่มีใครที่จะมาช่วยหรือเรานก็เป็นทุกข์เขาก็ถามต่อไปว่าแล้วการพึ <emergen optic colors> cool ่งพาแตกกรรยานมิตรเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะที่ถามมีเพระวัตถามาบอกเขาไปว่าเนี่ยคนเราถ้าพึ่งพาแตกกรรยานมิตรนะแต่ไม่รู้จักพึ่งพาตัวเองเสียทีเนี่ยนะก็เท่ากับว่าใช้กริยานมิตไม่ถูกต้องพึ่งพากรรยานมิตหมายความว่าอย่างไรเนี่ยะพึ่งพาแตกกรรยานมิตหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่า ไปไหนไปไหนไม่อยู่ไหนก็ตามเนี่นะถ้าไม่มีกายนณมิสเนี่ยก็รู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวเนี่ยอันนี้ยแสดงว่าเราไปพึ่งพาเขามากไปละนะจะอยู่ไหนก็ต้องมีกายนามิตสนะถ้าไม่มีกายนามิสจะรู้สึกเคว้งคว้างเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาณว่าเราไปมัวพึ่งพาแต่กายนามิสจนลืมพึ่งพาตัวเองหรือว่า เวลามีปัญหาอะไรก็คิดแต่จะให้กระะารยาณมิตรช่วยมีปัญหาแล้วก็คิดว่าคิดอยากจะให้เขาแก้แต่ว่าเราไม่คิดที่จะแก้ตัวเราเองหรือไม่คิดที่แก้ที่ใจของเราอันนี้เียกว่าพึ่งพาแต่กระะารยานมิตรอันนี้เป็นเป็นปัญหาของคนจำนวนไม่น้อยนะรวมทั้งนักปฏิบัติธรรมด้วยนะก็คือว่าเวลาอยู่ไหนนะก็ มักจะมีความคาดหวังว่าคนนั้นคนนี้หรือว่าหมู่คณะนะจะดีอย่างโน้นดีอย่างนีนะ้จะเพียบพร้อมจะมีความช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อเกื้อกูลนะจะพูดจาไพเราะนะหรือว่ามีความเอาใจใส่นะแต่พอเจอสิ่งแวดล้อมหรือเจอผู้คนที่ไม่ได้เป็นไปดังใจเนี่ยก็ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่าลืมดูใจตัวเองนะ เราก็ไม่ได้คิดที่จะรักษาใจตัวเองอย่างที่บอกไว้นะสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราดูใจเรารักษาใจของคนของเราหรือเปล่าจะเป็นมัวมองคนอื่นจะเป็นมัวคาดหวังคนอื่นจนลืมหน้าที่ของเราเองคนอื่นเขาจะไม่เป็นมิกัาเราอย่างไรนะอันนั้นก็ไม่สาคัญเท่ากับว่าเราเป็นมิจับตัวเราเองหรือเปล่าคนที่ไม่เป็นมิกับตัวเองนะ เวลาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขาไม่สนใจไม่ให่ดีอะไรก็บเราเลยเนี่ยก็จะรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งควางเนี่ยก็แปลกนะผู้คนเรียกร้องให้คนอื่นมาเป็นมิตรกับเราหรือมาเป็นกอริยนมิตรของเราแต่กลับไม่เป็นมิตรกับตัวเองนะอันนี้มันแสดงว่าเนี่ยไปมองคนอื่นไปคาดหวังคนอื่นนะจนลืมหน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราอย่างแรกคือเป็นมิดกับตัวเองให้ได้ไม่ใช่แค่ดูแลร่างกายของเราเท่านั้นคนส่วนใหญ่ก็เอาแต่ดูแลร่างกายของตัวเองดูแลให้สวยให้งามดูแลไม่ให้หิวไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะไม่ให้หิวไม่ให้ร้อนนี่มันก็เป็นหน้าที่นะ แต่ว่าหน้าที่เราไม่ได้มีแค่นั้นอันนี้มันเป็นแค่หน้าที่อย่างเดียวคือหน้าที่ต่อร่างกายเรายังมีหน้าที่ต่อจิตใจด้วยนะคนที่จะเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ยก็ต้องดูแลเอาใจใส่จิตใจรักษาใจไม่ให้ความทุกข์มันมาบีบคั้นเผาลนนะจิตใจของเราแต่ถ้าว่ามองข้ามไม่สนใจตรงนี้ไปนะมันก็จะมัวแต่เรืยร้อง คาดหวังจากคนอื่นมาเป็นมิตรกับฉันนะมาดูแลฉันดีๆนะมาให้กำลังใจฉันน ะ, ะแต่ว่าจิตใจตัวเองกับไม่สนใจกับไม่รักษาอีกคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมที่นี่แหละก็ตอนปฏิบัติธรรมก็สบายใจดีนะเพราะว่าไม่เพราะว่าห่างไกลจากบ้านที่บ้านเนี่ยก็มีปัญหา ผู้คนก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเท่าไหร่นะคนในบ้านน่ะมาปฏิบัติธรรมที่นี่เจ็ดวันก็สบายไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาทําให้รู้สึกรำคาญหรือว่าหนักใจแต่พอกลับไปบ้านถึงบ้านแค่วันสองวันนี่ก็ก็บ่นแล้วว่าสิ่งแวดล้อมยังเหมือนเดิมนะสิ่งแวดล้อมยังเหมือนเดิม เรื่องปัญหาเก่าๆก็ยังมีอยู่ก็เลยบอกเข้าไปว่าเนี่ยไอ้สิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่หรือสิ่งแวดล้อมมันจะเหมือนเดิมยังไงก็ไม่สำคัญนะสำคัญว่าใจเราเหมือนเดิมหรือเปล่านะใจเราใหม่กว่าเดิมไหมใจเราแตกต่างกว่าตอนทีอ่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าก่อนจะมาปฏิบัติ ไม่พอใจที่สิงว่าร้อมอย่างเหมือนเดิมนะแต่ว่ากลับไม่พยายามทำให้ใจของตัวเองเนี่ยนะมันเป็นใจที่ใหม่ไม่พอใจที่สิงว่าร้อมที่บ้านอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ดูใจว่าใจเราเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไอส้สิงว่าร้องที่บ้านเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากนะแต่ว่าใจเราเนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าแต่คนก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจิตใจนะอยากจะให้ อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอยากจะให้สิ่งแวดล้อมผู้คนที่บ้านเขเปลี่ยนแปลงกลับมามีน้ำใจกลับมามีความเอื้อเฟื้อนะอันนี้หวังเกินหวังเกินจริงไปนะแล้วก็ไปคาดหวังในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากนะไอหน้าที่ที่เราควรจะทํากับตัวเองนะไม่ทํากลับไปเรียกร้องให้คนอื่นไปคาดหวังให้คนอื่น นะเปลี่ยนแปลงถ้าใจเราใหม่เสร็จแล้วเนี่ยนะให้สิงว่าร้อมมันจะเก่ายัางไงหรือมันจะแยกกับเดิมยังไงมันก็ไม่ถูกนะผู้คนเนี่ยมักจะเรียกร้องแต่จะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่จริงมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้โอกาสแล้วนะได้โอกาสได้ช่องทางเห็นลู่ทางที่จะเปลี่ยนแปลงนะ ตัวเองเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ใจก่อนใจตัวเองนะเช่นมีมุมมองที่ใหม่ขึ้นออหรือว่ามีจิตใจที่ออรู้ทันนะโทสะรู้ทันอาการกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นเวลาเจอสิ่งแวดล้อมออที่ไม่ถูกใจนะเวลามันเกิดความไม่พอใจขึ้น เ, ออเห็นใจเห็นความยินร้ายนะ ไม่ปล่อยให้ความยินร้ายมาลุกลามกลายเป็นความหงุดหงิดกลายเป็นความโกรธนะะการปฏิบัติธรรมมันต้องก่อให้เกิดประโยชน์แบบนี้กับเรานะก็คือว่าทำให้เราเนี่ยมีใจที่ใหม่ทำให้เราเนี่ ย, ายสามารถจะเป็นมิตรกับตัวเองได้นะทำให้เราเนี่ยสามารถจะพึ่งตนเองให้ได้นะไม่ใช่เอาใจไปผูกติดอยู่กับสิ่งแวดล้อมคอยคาดหวัง กาลยานมิตรอยากให้คนอื่นเป็นกนาลยานมิตรกับเราแต่เราไม่เป็นกนาลยานมิตรกับตัวเองอันนี้มันก็ไม่เข้าท่านะที่จริงหน้าที่ของกาลยานมิตรเนี่ยนะอย่างที่บอกไว้แล้วคือมันต้องช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะพึ่งตนเองได้หลายคนเนี่ยพอเจอกาลยานมิตรเจอคนดีๆเจอเพื่อนที่ดีเจอครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วเนี่ยกลับเป็นโทษนะก็คือพึ่งพาเขา ติดกเรียนนมิตถ้าไปที่ไหนที่ไม่มีคนดีๆไม่มีคนที่เ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีคนที่เป็นกเรยนนมิตเนี่ยอันเนี้ยทุกข์ละคำ ว, ว่ายึดติดเนี่ยไม่ว่ายึดติดอะไรก็ตามเนี่ยมันมีข้อเสียหรือมันไม่ดีทั้งนั้นนะติดสุขก็ไม่ดีติดสบายก็ไม่ดีติดกเรยนนิมิตก็ไม่ดีนะแต่ว่าอคนก็มักจะติดนะเพราะว่า พอเจอคนดีๆเขาก็ชอบนะพอเจอคนที่เอื้อเฟื้อไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เพื่อวมปฏิบัตินะเขาดีเราก็พลอยติดนะแต่ถ้าไม่ไม่เจอคนอย่างนั้นในชุมชนอื่นในวัดอื่นก็ไม่สบายใจนะอันนี้เรียกว่าใช้กลนามิตรไม่ถูกต้องนะก็คือว่าไม่รู้จักพึ่งตนเองสักทีนะ ผู้เจ้าตัดแล้วไว้นาแล้วนะว่าตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องพึ่งพาใครเราใหม่ๆก็ต้องพึ่งพาก่อนนะตอนเด็กๆ เ, เราก็ต้องพึ่งพาพ่อแม่พ่อแม่ก็ทําให้เราเดินได้ทําให้เราอสามารถที่จ ะ, ะช่วยตัวเองได้นะทีแล้วก็ช่วยตัวเองเล็กๆน้อยๆ น, นะตอนหลังก็ทําอย่างอื่นได้มากขึ้น มีครูบาอาจารย์ช่วยทำให้มีวิชาความรู้ก็ทำให้สามารถที่จะทามาหากินด้วยตัวเองได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองเพราะพ่อแม่ก็ต้องจากเราไปในที่สุดครูบาอาจารย์ก็ต้องตายจากเราไปในที่สุดหน้าที่ของเราคือพึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่แค่พึ่งรายได้ที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเท่านั้นแต่รวมถึง การพึ่งในเรื่องความสุขด้วยก็คือมีสุขได้ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้นะไม่ต้องมีคนมาเอาเอาใจอยู่รอบๆนะไม่ต้องมีเพื่อนนะที่พูดดีทําดีกับเราก็ได้ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองนะการเป็นมกับตัวให้ได้เนี่ยสําคัญมากนะจะไปในที่ที่มีการนาันตรดนะอันนี้ก็ดีอยู่นะผู้เจ้าก็ตัดไว้นะว่า กาอยู่ในประเทศอสมควรข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประเทศสมควรคือประเทศที่มีกระไรน้มิตรนะมีเพื่อนมีคนเ อ, อเื้อเฟื้อเกื้อกูลมีครูบาอาจารย์นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเติบโตนะไม่ใช่เป็นยังเป็นเด็กเหมือนเดิมเมื่อเราเติบโตก็คือเราพึ่งตัวเองได้นะเป็นมิตรกับตัวเองได้และเป็นเรื่องสาคัญนะการเป็นมิตรกับตัวเองเนี่ย เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยนอกจากตัวเองจะไปคาดหวังให้ใครต่อใครมาเป็นมิตรกับเรามาเอื้อเฟื้อกับเราเนี่ยอันนี้มันเป็นความหวังลมลวงเล้ง ๆ, ๆเพราะว่าคนเรานน้นในสุดก็ต้องตายจากเราไปส่วนคนใหม่ที่จะมาแทนที่ก็อาจจะไม่เป็นมิตรกับเราอย่าว่าแต่คนอื่นเลยนะต่อไปร่างกายนี้ ร่างกายเนี่ยนะมันก็จะกลับมาเป็นศัตรูกับเรามันจะไม่เป็นมิตรกับเราแล้วล่ะในอนาคตเน่ยนะนะตอนที่ร่างกายนี้มันมีโรคมีภัยเนี่ยนะไอ้ที่เคยให้ความสุขกับเรามันก็จะกลายเป็นให้ความทุกข์ให้ความเจ็บปวดกับเราอคนที่ไปคาดหวังมิตรจากคนรอบตัวนะมักจะลืมไปว่าสักวันหนึ่งไอ้ร่างกายนี้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นมิตรกับเรา เมื่อวานก่อนที่จะมากลับมาที่นี่เขาไปเยี่ยมโยมคนหนึ่งที่บ้านตาดินทองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก่อนเข้าบรรษายังใส่บาทอยู่เลยผ่านไปแค่เดือนเศษนี่ป่วยอยู่ในระยะสุดท้ายนอนซมแต่ว่าปวดนะปวดปวดที่ท้อง ร่างกายก็แย่ก็ทนอยู่ในสภาพนี้เนี่ยเป็นเดือนละแล้วก็ไม่รู้จะอีกนานแค่ไหนก็เรียกว่ากาลังจะตายอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็คือป่วยด้วยโรคร้ายแล้วก็ค่อยๆตายทีละนิดทีละนิดมันจะมีความเจ็บปวดคอยบีบคั้นนะที่มแทงจิตใจ ไอ้ร่างกายเนี่ยนะที่เคยพาเราไปเที่ยวเคยพาเราไปกินของอร่อยพาเราไปฟังเพลงพาเราไปาดูหมอลำดูหนังดูละครพาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆเนี่ยวันดีคืนดีมันกลับแปลเปลี่ยนไปเป็นเสมือนหอกข้างแคร่ของเรานะ เป็นที่มาของความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานบางคนไปนมองว่าร่างกายมันทรยศกับฉันแล้วเนี่ยนะเคยให้ความสุขกับฉันตอนนี้มันกลายมาเป็นเป็นศัตรูกับฉันซะแนละ้วอันนี้คือความจริงนะที่ทุกคนต้องเจอถ้าเราไม่รู้จักที่จะเป็นมิตรกับตัวเองโดยเฉพาะการรักษาใจให้ดีเนี่ยนะไปคอยเรียกร้อง ความเป็นมิจากคนนั้นคนนี้สุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็จะหวังความเป็นมิตรจากมันไม่ได้นะที่จริงร่างกายมันก็ส่งสัญญาณอยู่เป็นระยะระยะนะนะเช่นเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยมันก็ปวดก็เมื่อยบางคนปวดเมื่อยจนทนไม่ได้บางทีมันก็ปวดหนักปวดเบานะนเนี่ยมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว แต่หลายคนก็คิดว่าไม่เป็นไรนะปวดเมื่อยฉันก็ขยือนขยับเดี๋ยวก็หายปวดหนักปวดเบาก็เข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็หายปวดหัวตัวร้อนกินยานะคิดว่าจัดการได้นะแต่ลืมไปว่ามาถึงจุดหนึ่งนะมันจะปวดตลอดเวลาจะขยือนขยับไปไหนมันก็ความปวดมันก็ตามไปนะจะมาวัดมันก็ตามมาถึงวัดในความปวดเนี่ย ไม่ใช่ว่าเจอคนไม่ชอบที่บ้านเราก็หนีมาวัด อ, อันนี้สบายใจเจอคนไม่น่ารักที่วัดนี้ก็ย้ายไปวัดอื่นสบายใจหนีได้นะแล้วทุกคนก็ใช้วิธีหนีอย่างนี้ตลอดนะเวลาร่างกายมันเจ็บป่วยก็เอากินยาหายนะแต่มาถึงจุดหนึ่งนะไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจเนี่ยเรานีไม่พ้นนะ ย้ายไปไหนจะหนีไปจากบ้านมาวัดหนีจากวัดไปบ้านหนีข้ามประเทศไอความปวดความทุกข์ทรมานก็ยังตามติดตัวไปเพราะมันเกิดขึ้นกับกายแล้วแล้วทีนี้ทํำยังไงอ่ะไอความทุกข์ทรมานมันตามเราไปตลอดเลยถึงตอนนั้นแหละต้องอาศัยใจแล้วล่ะอาศัยใจเนี่ยถ้าเรามีใจเป็นเพื่อเราฝึกใจเสมอนะแม้กายมันจะปวดยังไงใจก็ไม่ปวด นะต้องให้ต้องระวังนะต้องคิดอยู่เสมอนะอย่าประมาทนะจะไปเรียกร้องให้อะไรต่ออะไรมันถูกใจเรานะเป็นมิตรกับเราเนี่ยนะถ้าตรงไหนไม่เป็นมิตรเราหนีไปหาที่ที่เป็นมิตรนะคนนี้ประมาทมากเลยเพราะว่าในที่สุดแล้วหนีไม่พ้นนะเพราะว่าไอ้ความไม่เป็นมิตรเนี่ยมันตามติดเราไปตลอดเพราะมันไอ้ร่างกายนี้มันกลายเป็นนะเป็นศัตรูเราไปซะแล้ว จะว่าเขาเป็นศัตรูก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาของเขาแนละ้วมันเหมือนบ้านที่แข็งแรงแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องผุพังไปจริงน่าจะสงสารเขาเห็นใจเขานะเพราะว่าเขาก็รับใช้เรามานานแทนที่จะเกลียดโกรธร่างกายนี้นะที่มันกลายมาเป็นเป็นตัวทุกข์นะหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราต้องสงสา ร, สารเห็นใจแล้วก็ขอบคุณเขานะ อย่างที่พูดไปเมื่อวานนะเขาจะเป็นอย่างไงก็เป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราก็คือตอบแทนบุญคุณเขากรตันอยู่รู้คุณเขาร่างกายนี้มันเคยเคยดีกับเรามาก่อนแล้ววันหนึ่งหรือในวันข้างหน้ามันจะไม่ดีกับเรานะเหมือนพระที่พูดเมื่อวานเนี่ยตอนหลังก็ศึกไปกลายเป็นขี้เล่าน่าเป็นเรื่องของเขานะ ไอ้ร่างกายนี่ก็เหมือนกันมันดีคืนดีมันกลายเป็นกลายเป็นมะเร็งนะกลายเป็นโทษซะล้ะก็อย่าไปโกรธเขามันเป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือขอบคุณเขานะสำนึกในบุญคุณของเขาแผ่เมตตาเขาไปอันนี้เป็นหน้าที่ต่อกายนะอย่าไปเกลียดเขาขณะเดียวกันก็ ทำหน้าที่ต่อใจเราด้วยคือรักษาใจนะีอย่าให้ทุกข์นะกายจะทุกข์ยังไงใจก็ไม่เจ็บไม่ปวดเนีย่ยต้องฝึกนะจะทํานี้ได้มันต้องฝึกตนะั้งแต่เดี๋ยวนี้นะเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกใจเจอคนที่ไม่น่ารักก็ไม่ไม่ว่าอะไรถือว่าเขามาเป็นครูสอนเราให้เรารู้จักดูแลใจของเราให้เรารักดูให้เรารู้จักจ ร, ร, ร, ร, รกักษาใจของเรา ไม่ใช่ไปเรียกร้องเขาให้ดีกับเราอย่างงน้นให้ดีกับเราอย่างนี้หรือหนีไปหนีไปที่อื่นที่มันจะถูกใจเราแล้วทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเราจะรู้จักรักษาใจของเราได้อย่างไรนะเรียกร้องแต่สิ่งว่ารองให้เปลี่ยนแปลงไปเรียกร้องแต่ว่าให้คนหนึ่งเขาเปลี่ยนแปลงแต่ใจเราไม่เปลี่ยนใจเราไม่พัฒนาแล้วถึงเวลาที่เราต้องเจ็บต้องป่วยนะหนีไม่พ้นแล้วตอนนี้จะทํำยังไงนะ อ้อนั้นการที่เขาสิ่งรอบรอเนี่ยมันไม่ถูกใจเราบ้านมีปัญหาอวัดก็ไม่มีความเป็นกัลยาณมิตรอ่าก็ถือว่าเขามาฝึกเรานะมาฝึกให้เราเนี่ยดูแลจิตใจให้ดีให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรจะเป็นอย่างอะไรจะเปลี่ยนอะไรมันจะย่ำแย่อย่างไงก็ตามนะแต่ว่าใจเราเนี่ย เป็นปกติได้เป็นปกติอยู่เสมอวิชานี้สำคัญมากนะเพราะมันทำให้เราเป็นสุขได้ทุกที่นะและถึงเวลาที่ต้องเจ็บต้องป่วยเราก็ยังมีใจที่เป็นปกติสุขได้น ะ, ะเมื่อกี้ก็เพิ่งสวดไปนะว่าสังขารทั้งหลายนะมันไม่เที่ยงมีความแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมายถึงพร้อม หรือว่าทำประโยนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะมองไปไ ก, กลๆแบบนี้บ้างนะไม่ใช่มองเพื่อให้กลัวแต่มองเพื่อให้เราจะได้ตัดเตรียมเพื่อให้เรารู้ว่าโอ้วันข้างหน้านี้มันมีการบ้านชิ้นใหญ่รออยู่นะ ม, น ม, มันมีบททดสอบที่มันเรียกร้องให้เราต้องรู้จักพึ่งตนเองให้ได้มันเป็นการบ้านที่เรียกร้องให้เรานะต้องรักษาใจตัวเองให้ได้ พอถึงวันนั้นเนี่ยสังขารร่างกายนี้มันมันจะแปลเปลี่ยนไปมันจะเต็มไปด้วยความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานหนีไม่พ้นแล้วแต่ก่อนนี่หนีพ้นมีอะไรไม่ถูกใจก็หนีตลอดเวลาหรือไม่ก็เรียกร้องให้เขาเปลี่ยนแปลงให้ถูกใจเราแต่มาวันนึงเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นถ้าเราไม่รู้จักพึ่งตงนเองไม่รู้จักรักษาใจของตัวเองเนี่ยก็จะทรมานมากมันไม่ใช่แต่มีความ เจ็บความโปวดนะไม่ใช่มีทุกขเวทนาเท่านั้นนะมันจะทุกขทรมานด้วยมีทุกขเวทนาแต่ไม่ทุกขทรมานนี่ทําได้นะทุกขเวทนาเป็นเรื่องของกายทุกขทรมานเป็นเรื่องของใจนะกายมันจะมีทุกขเวทนาอย่างไรใจก็ไม่ทุกขทรมานนะไม่ต้องคิดไปไกลถึงนิพพานนะบางคนก็ไม่สนใจนิพพานหรือความพ้นทุกแต่ว่าควรจะอย่างน้อยก็คิดไป ให้มันถึงจุดที่ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายมันนี้ไม่พ้นล่ะทำไงเราถึงจะอยู่กับมันได้ทําไงจะอยู่กับความเจ็บความปวดได้โดยที่ใจไม่ทุกข์ก็ต้องฝึกกับการอยู่กับชุมชนสิ่งว่าล้อมที่ไม่ถูกใจเราอไม่ถูกใจเราไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้ผู้คนไม่เป็นไกร่ณมิตรไม่เป็นไรเราก็อยู่ได้เราอยู่ได้มีความสุขด้วยะถึงว่าเรามีปัญหายังไงน อไม่เป็นไรเราอยู่ได้หรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้อถ้าอยู่กับมันได้เนี่ยถึงเวลาไอ้ความทุกข์มันติดตามเราไปนะเพราะว่าร่างกายเจ็บป่วยนะเพราะวาความแก่ชาราเพราะวาความพิกลพิการอ่ะเราก็ไม่ทุกขนะ์ใจอยู่ได้กับมันอันนี้อะไรเรียกว่าพึ่งตัวเองนะยิ่งสามารถจะฝึกใจจนเห็นสัจธรรมความจริงนะจนทั้งไม่มีความยึดติดถือมั่นได้ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ ถึงตอง น, นั้นเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าไอ้ร่างกายนี้นะมันทิมแทงเรานะเพราะว่าปล่อยวางร่างกายนี้ลนะปล่อยวางแม่ก็ทั้งทุกขเวทนาไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราใจก็เป็นปกติผ่องใสยอยู่ได้แล้วก็พอสมควรกับเวลา